อะไรนะสองสามอันนี้ต้องเดือกันน่พราะธรรมชาติบากรรมชาติจเป็นนุตตรเราไปทอะไรไม่ได้ร่างกายเราก็เหมือนธรรมชาติร่างกายเราเราก็ไปทำอะไรไม่ได้ เวลาล่างกายจะเก็บไข้ได้ปวเวลาล่างกายจะกลายไปเราก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราต้องหัดทำก็คือใจท่าใจเป็นสิ่งที่เรายังทำได้ใจเรายังสามารถควบคุมบังคับให้ตั้งอยู่ในทางสงบได้ถ้าเราฝึกฝนหล่นเพื่อควบคุมบังคับใจ ไม่ตั้งอยู่ในทางสงบอยู่เรื่อยๆเวลามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากระทบกับใจใจจะได้ไม่วุ่วายใจจะได้ไม่พยศถ้าเราไล่ควบคุมใจไม่ได้รักษาใจให้อยู่ในทางสงบไม่ได้เวลามีเหตุการณ์มากระทบกับใจใจจาพยศทันที ใจจะดิ้นรนต่อสู้ใจจะมีการทุกขารามากดังนั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นภาวะิที่สำคัญอย่างมากสำคัญกว่าการดูแลรักษาร่างกายหรือรักษาชีวต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็ สิ่งบางอย่างใลกนี้เป็นสิ่งที่เรารักษาไม่ได้ตลอดเวลาไม่บางเวลาเราก็รักษาได้บางเวลาเราจะรักษาไม่ได้เวลาที่เรารักษาไม่ได้เวลานั้นเราจะทึกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราได้สุขผลแบบลงรวบรวมรักษาจใจที่ตั้งอยู่ในทางสงบตลอดเวลา เวลาที่เราไม่สามารถรักษาอะไรได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเป็นหลแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือภากะหน้าที่ของเราเข้าใจนี้เป็นของเราและไม่มีที่อื่นที่จะมารักษาดูแลแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ที่ต้องรักษา ดูแเองด้วยการน้อมเอาพระธรรมคำสอนของขพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ท่านต่ําขึ้นไปจนถึงท่านสูงสุงสงดการปฏิบัติทางตามพระธรรมคาสอนของขพระพุทธเจ้านี้เสนอนการยินขึ้นันไา ถ้าจะข้ามขั้นก็ต้องกระโดดถ้าเดินขึ้นเนเดินไม่ได้การที่กระดดดขึ้นไปนั้นก็คงจะ ย, ยากดังนั้นส่วนที่จะพยายามตามตามข่น ต, ตั้งแต่ท่าน ข, ข, ข, ขึ้นเนินขึ้นไปจนถึงข่านสุดท้าย ข, าข้างหน้าที่ท่านจะได้สอนให้ทุกภาษาชนิดชนปฏิบัติกันก็คือการทันทา การทา ง, ทาง้เป็นการจึกออกลมจิตใจไม่ให้ยึดติดอยู่กับทรับสมบัติข้าวของเองินทองต่างๆพราะถ้ายึดติดเวลาที่ต้องพักพาจากทรับสมบัติข้าวของเองินทองเวลานั้นใจจะพยศขึ้นมาใจจะทุกข์ทรมานใจ ถ้าเราจดการพักภาาด้วยการเสียสละครับสำหรับเท่าของเงินทองส่วนที่เราไม่มีทางจนเป็นที่จะต้องอาศัยหรือจะต้องเก็บเอาไว้เอาไปให้แก่ผู้จะให้ใครจะได้ที่รับไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ผู้ให้ ว่ายินดีจะให้หรือไม่ถ้ายินดีจะให้พร้อมที่จะให้เวลาให้แล้วแทนที่จะมีความติดก็จะมีความติดเออให้เราซ้อมปล่อยวางด้วยความยินดีนั่นเองถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆด้วยความยินดีพอถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยเราก็จะปล่อย ได้ลังศิษย์แ ง, งสมานี่คือขั้นตอนเราต้องปล่อยวางภาพสมบัติเท่าของเงินทองต่างๆแล้วก็บุคคลต่างๆด้วยแล้วก็สถานภาพต่างๆที่เรามีอยู่ดูสุปแล้วก็คือให้เราสละลาบยกสล ะ, ละเสริมสละความสุด ทางตาหูส ม, มุดลึกลงถ้าเราฝึกทำอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถปล่อยวางได้เราก็จะได้ออกเหลือได้ได้ออกมาปฏิบัติทาขั้นที่สูงต่อไปได้ทางขั้นที่สงขั้นที่สองก็คือสีงเงินสีก็คือการ ไม่เบียดเรียนผู้อื่นและการนองเว้นจากการหาความสุขทางร่างกายอันตาหูจมูกวินกายก็คือต้องสื่อเสียงของนักบวดสีนงห้านี้เป็นสีงที่เรารักษารพร้อมๆกับที่เราทำทางแต่พอเราทำทางได้เต็มที่แล้ว เราก็จะขยับขึ้นเซอร์สี8หรือสิี227สีของนักบวชคือเราจะยึดติการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูลกลิ้นกายแม่สีท้าสามก็จะเป็นอัครมัจเิียเวรมีเป็นสีธรรมจันรคือจะไม่ร่วมหลับนองกับผี่อื่น แล้วสินงข้อหกก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันแล้วเพื่อจะได้ไม่หาความเจดจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเป็นเหมือนกับรับประทานยารับประทานเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่จะได้วันวันหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานกันวันละหลายครั้งหลายรอบด้วยกัน ให้เป็นนักบวนี้ท่านก็จะนิยมรับประทานวันละหนึ่งครั้งและการรับประทานก็รับประทานอแยบบ่างเรียบง่ายสะดวกนี่จู้ี่สุกจิอาหารทั้งหมดก็เอามารวมกันไว้ในภาชนะหนึเดียวที่อเอาไว้ในบางแล้วก็อาจจะทุกกันให้มันปนกันเป็นอาหารชนิดเดียวเพื่อเป็นการตัด กา ม, มาันทะคือความยินดีในรูปลดกลิ่นลดของอาหารเพราะวานจริงแล้วอาหารนี้มันเข้าไปในร่างกายแัะจะต้องเข้าไปรวมกันในท้องดีๆสภาพของอาหารที่รวมกันในท้องเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไรในเวลาที่เราอาเจียนออกมา นี่นแหละคือสภาพของอาหารที่จะต้องเข้าไปอยู่ในท้องฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปพูดว่ากับสภาพอาหารที่ยังไม่ได้เข้าไปในท้องอาหารเขาจะจัดมาฟ้านี่สวยงามอย่างนั้นเราก็อยากไปหลงกับรูป ก, กับสีสันเราควรที่จะทําลายทำหลงไม่ด้วยการอาอาหารทั้งหมดที่เราจะรับประทานนี้ ทำรวมในภาษนะอันเดียวกันแล้ว้็เติงกันทุ ก, กันเข้าไปให้เตมเหนือนกับอาหารที่จะเข้าไปอยู่ในท้องต่อไปนี่คือการรับประทานอาหารแบบนักปฏิบัติรับประทานอาหารเพื่อกำจัดพิเลยเพื่อการมาฉันทาความชอบความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่น ของอาหารแล้วเราก็มาแต่งกายแบบเรียกง่างในทั้งการหาความสุดจากการแต่งเสื้อผ้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าพรที่สวยงามมิจิตพิศสดาและใช้เครื่องสำอางใช้น้ำหอมน้ำมันอะไรตา่างๆเพื่อให้เกิดกล่หอมเพื่อได้ความสุดจากการได้ลงกลิ่นที่หอม เพื่อจะได้ตกตึกสิ่งที่ไม่น่าปัญนาต่อร่างกายเราต้องการที่จะทําลายความหยาบนี้ต้องการให้เราได้สัมผัสสับความจริงสัมผัสถึงความไม่สวยงามถึงความเป็นปฏิกูลของร่างกายนอกากที่เราเกิดใจมายกขึ้นมาก็เพราะว่าเราไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงาม ไม่เห็นส่วนที่สดเปิของร่างกายนั่นเองครับตอนนี้เราต้องการที่จะตัดการมารมีเพราะการบารมนนีเป็นเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบเป็นอุปสรรคต่อการหิุดพ้นจากการเรียนไวการเกิดเราจึงไม่ให้หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัว ด้วยเสื้อผ้ า, าพารสวยสวยงามใช้เครื่องสัมมาและน้ำหอมต่างๆเพื่อมาปลุกปลิดความประจบความม่าสวยงามทองร่างการและเราก็จะไม่หาความปลุกจากเครื่องบังเพงงิงต่างๆเช่นการร้องรำทำเพลงการดูภาพภาพยนตร์ดูละครเราจะหาความสุขจากการภาวนาน โดยการทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสติใใสตยสตอย่างต่อเนื่องเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะพาจิตให้เข้าสู่ทางสงบถ้าไม่มีสติึงจิตให้เข้าข้างในจิตก็จะถูกตามแขวนทะกแบบกิเลสตัณหาตัดดันให้ออกไปทางตาหูสมุดงกาจ ไม่ไปหาทางสุดทางรูปเสียงติ่มโลโอกสะพัดถ้าเราไม่มีกำลังที่จะเดินจิตเข้าข้างในสู้กำลังของสิเลสต่างหาไม่ได้ใจก็จะหาทางสงบไม่ได้การที่จะเข้าข้างในได้เราก็ต้องอาศัยศีเนี่ยที่สีแตกที่รักษาก่างหน แล้วก็ต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดเงียบเพื่อต้องอยู่ห่างไกลจากลูกเสียงเปลี่ยนน ốt บทเสภาที่เื่อโยนกวนใจที่คอ ย, อยาลกล่อบงให้ใจเข้าไปหาเราต้องไปอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงตา่างๆเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาที่มีลูกเสียงเลี่ยนน ốt บทเสภาที่เป็นธรรมชาติที่เป็นกลาง ที่ไม่ไม่ดึงดูให้จิตใจออกไปหาความผุดถ้าเราไปอยู่ตามที่สงบสงบที่เว้อยู่ตามลงพางไม่อยู่หรือแม้มว่าจะอยู่กันหลายคนด้วยกันก็จะไม่คุบคือกันจะมารวมกันก็เฉพาะเวลาที่จำเป็นจะต้องทำาภาหมิ์ร่วมกันเช่นเวลามารับประทานอาหารหรือเวลามา ทำความสะอาสถานที่แต่เราจะไม่มาคุยกันมาสทานทนากันมาปรับทุกขกันเราจะทำภารกิจ ด, ด้วยสติจดจจออยู่กับงานที่เราทำอยู่และอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องปูกใจดึงใจไว้ให้เข้าข้างไหนเช่นการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป ไม่ว่าเราจะทำจิตอร่อยก็ตามกำลงังปากว่ากํกลังทำความสะอาดสถานที่ตองการรับประทานอาหารทำการร้างหน้าร้างต า, ตาอาบน้ายึดธทําอะไรเราก็จะบริกรรมพุโทโธไปไม่ให้ใจคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโถงประปะถึงแม้จะทำภารกิจร่วมกันก็จะไม่ทูนกัน ต่างคนต่างทําภารกิจของนตนตางคนต่างจเจริญสติของตนไปควบคู่กันไปพอเสร็จภารกิจเราก็จะแยกกันไปอยู่ตามสถานที่ของตนเพื่อจะได้เจริญสติต่อด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิสลับกันไปตามแต่ความเหมาะสมการเดินนี้การนั่งนี้ไม่ได้เป็นตัวสําคัญ ตัวสำคัญคือตัวสติเราเดินก็เพื่อจ ะ, จะเจริญสติเรานั่งก็เพื่อที่จ ะ, จะเจริญส ต, แติแต่ที่เราต้องเดินสลับกับการนั่งก็เพราะว่าร่างกายนี้จําเป็นจะต้องมีการเลี่ยนอดรียบถ้านั่งนางนๆร่างกายก็จะเจ็บจะปวดได้ถ้าเดินนานๆก็จะปวดเมืยได้เช่นเดียวกัน ก็จำเป็นที่จะต้องมีการสลับวิริยะบบแต่เรื่องของการเจริญสตินี้ไม่มีการยักยั้งไม่มีการหยุดทำต่อมีเวลาเดียวที่จะไม่เจริญสติก็คือเวลาหลับนอนเวลาก่อนจะหลับนอนก็ บ, บริกรรมพุโทโธไปจนกระทั่งหลับไปต่อเติมขึ้นมารู้สึกตัวก็เริ่มบริกรรมพุโทโธต่อไป อันนี้เป็นขั้นแรกของการภาวนาในการปฏิบัตถ้าสติมีกำลังมากสติจะสามารถเดินใจไม่ให้ออกไปข้างนอกได้ถ้าสติมีกำลังน้อย<ม>ก็จะซื่อเกิดปัญหาไม่ได้ก็จะถูกเกิดตัญหาดึงออกไปหาเรื่องราวต่างๆไปหาเรื่องสิ่นที่เนื่อมส การปฏิบัติเรื่องต้นนี้จึงเป็นเหมือนการชักไะเท่ยวกันระหว่างสติกับกิเลสการหาระหว่างกิเลสกับธรรมถ้าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะฝ่ายนั้นก็จะได้ใจฝ่ถ้ากิเลสชนะก็จะได้เอาใจาไปเที่ยวกานรูปเสียงเป็นรอดสดพระถ้าสติชนะก็จะเอาใจาเข้าสูามสม่ทางสงบ เข้าสู่อัตนาสมาธิดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจของเราเข้าสู่ความสงบเราก็ต้องหมั่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เต็มจนหมดและเราต้องพยายามอยู่ใจมันพังอยู่คนเดียวไม่มีะารางจิตอย่างอื่นที่จะต้องทำผู้ที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่สล ะ, ะราบยกสละสงสุด ทางตาหงะุะโยงกายไปเจ่นพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จออกจากพระราชวันทรงสลัราชสนบัแล้วก็มุ่งไปสู่ตาสู่เขาด้วยไปเจริญสติรักษาสีของนักเดือดแล้วก็เจริญสติอย่าง่อเนื่องด้วยการเดินจงกรมสลบับกับการนั่งสมาธิ ความไ ป, ป็นไปที่สุดก็สามารถทำใจให้รวมเป็นสมาธิได้รวมเป็นเป็นเอก ต, ตาพลมเป็นอุเบกขาสัพพารูเวลาที่จิดรวมนี้จะได้พบกับความสุขที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือจากความสุขชั้งหลายในรอบนี้ตามที่ได้สมัตรัไว้ว่านับสิสัน ต, ติตรอดสุขัง ไม่มีสุทดใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบพอมีความสงบมีอุเบกขาแล้วใจก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งที่จะต้องปล่อยวางข่านต่อไปได้การมาบวชนี้ก็ได้ปล่อยวางไประดับหนึ่งแล้วคือปล่อยวางราบเมื่สมเสังปล่อยวางรูปเสียงจิตโลกเถรภา ตอนนี้เราจะมาปล่อยวางร่างกายปล่อยวางฐานธาตคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยจิตอีกทีนึงเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามตอนนี้ยังอย ก, ก่เกลือครอบครองอยู่ยังมีกเกลือเป็นเจ้าของะคจิต ก, ก็ยังมีกเกลือเป็นเจ้าของเราถึงต้องมา กำจัดที่เลยที่มาครอบครองรูปเวทนาสัญญาสังขารยินญานเราสร้างพิกขจรณาตายรักในร่างกายในเวทนาในสังขารในยินญานในสัญญาการพิจารณาก็คือให้เราพิจารณาตรงที่ร่างกายนี่แหละเวลาเราพิจารณาร่างกายเราพิจารณาตามหลักความเป็นจริง เราแม้พิจรณาตามกี่ลคือความหเหลืองี่เลยจะพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราที่เลยจะมีความอยากให้ร่างกายไม่แฉะไม่จดไม่ตายเราต้องมาแก่กิเ่สด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแฉะจะต้องเก็บจะต้องตายอย่างแน่นอนร่างกายนี้ เป็นเ่ิงดินน้ำลงไปมาจากอาหารที่รับประทานอาหารก็มาจากดินน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ำลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมความร้อนที่เราได้รับจากพระอาทิตย์ได้รับได้รับจากพลังงานของอาหารที่อยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุไฟนี้เอง พอเวลาร่างกายหยุดทํางานธาตุทั้งสีก็จะแยกทางกันเมื่อตอนนี่ธาตุทั้งสีมาลวนกันในร่างกายธาตุดินก็เข้ามาในร่างกายธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เข้ามาในร่างกายพอร่างกายหยุดทํางานธาตุทั้งสี่ก็จะแยกทางกันไปธาตุลมก็จะละเหยออกจากร่างกายไปธาตุไฟก็จะดับไป ร่างกายของคนตายจะเย็ยยนจัดร่างกาของคนที่มีชีวิตยอยู่แล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไปนานเท่าธาตน้ําก็จะไหลออกมาไหลออกมาจนกระทั่งแห้งหมดไปพอแห้งก็จะเหลือแต่ธาตดินที่จะก่อบแล้วก็จะปุก กายเป็นเด่นไปในที่สุดนี่คือการพิจ่จะมาร่างกายเพื่อให้เห็นชัดๆว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นการรวมตัวของธาตุสีดินน้ำลงไปใจผู้ที่มาคอบครองนี้เป็นเหมือนผู้มาเชิดร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นส่วนใจ น, นี้เป็นผู้เชิดถึงเท่านั้นเองใจกับร่างกายนี้ เป็นคนละคนกันไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็จะเกิดขึ้นกับร่างกายเพียงอย่างเดีย ว, ยวไม่ได้ไปเกิดกับใจเพราะใจมีธรรมชาติที่ตต่างกับร่างกายใจเป็นธาตุรู้ธารู้นี้ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมเพราะ้ารู้ไม่มีรูปไม่มีร้างธารู้มีแต่ความรู้กับความคิด แต่ความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความจริงเป็นความคิดที่ถูกอวิชชาความหลงความไม่บอกเขี่ยมสองให้คิดไปในทางที่ผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิจจิตเป็นจิตัณฑ์ชอบเป็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเป็นร่างกายที่ตั้งแต่ต้องเจ็บต้องตายว่าจะต้องไม่แต่ไม่เจ็บไม่ตาย เ, เกิดปัญหาตามอยากขึ้นมาอยากให้ร่างกายไม่แส่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเกิดตัญหาขึ้นมาภายในใจก็จะเกิดความทุกข์ใจเพราะปัญหาเป็นสมุทยัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจใจไม่ได้เป็นอะไรแต่ใจจับต้องไปทุกข์แทนร่างกายร่างกายเป็นผู้ต้องแส่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของตนเพราะร่างกายไม่มีความคิดไม่มีความอยากไม่มีความรู้นั่นเองนี่เราพิจาราณานี้เพื่อแก้คว า, ามหลงของใจให้ใจเห็นอย่างชัดๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเรศนาเพื่อความเจ็ดของร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นความเจ็บของร่างกาย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 ถ้าไม่มีปัญญาสอนใจมีกิเลสสอนใจก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาทั้งทั้งที่มีสมาธิอีกแล้วก็ตามแต่พอถูกกิเลสบอกว่านี่เป็ตัวเราของเราเราเป็นผู้เจ็บก็จะเกิดความอยากไม่ให้ความเจ็บอยู่กับเราอยากให้ความเจ็บหายไปก็เกิดความอยากขึ้นมา <c oughs> ก็เกิดความทุกข์ทรมารย์ขึ้นมา ที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันสิ่งที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายสิ่งที่เราทนไม่ได้ก็คือความเจ็บของใจที่เกิดจากความเหาความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเพราะความหลงหล อ, อกให้มีความอยากนี้ขึ้นมาเพราะหลงคิดว่าตอนนี้เป็นร่างกาย เวลาร่างการเจ็บก็อยากจะให้ความเจ็บที่ร่างกายหายไปแต่ถ้าเราได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้พวกเรารู้ว่าความเจ็บนี้เป็นของร่างกายไม่ได้เป็นความเจ็บของใจการเจ็บของใจนี้เกิดจากความอย่างให้ความเจ็บของร่างกายหายไป ถ้าไม่อยากจะให้เกิดความเจ็บทางใจก็ต้องหัดทําใจให้เป็นอุเบกขาทําใจให้หวางเฉยปล่อยวางเลื่ทําให้ปล่อยวางร่างกาย ร, ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยวางร่างกายต่อพอปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะสมงบ ก็จะบรรลุทางขั้นแรกที่เรียกว่าท่านของพระโสดาบันท่านสโสดาบันนี้ท่านละสัตยาทิฏฐิคือความเห็นที่ว่าร่างการเรยเวทนาสัญญาสังขารุ่นญาเป็นตัวเราของเราแต่ตอนนี้เราได้ใช้ธรรมของพระพุทธเจ้ามายืนยัน ว, ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เวทนาไม่ใช่ตัวเรานะ เ, เป็นเพียงสภาวะธรรมทีม่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหยักไปไม่มีใครสามารถที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างอืน่อนได้เฉินกับผลที่ตกแม้ทีไม่มีใครไปสั่งให้ผนหยุดได้เราก็ไม่เดียดร้องเพราะเรารู้ว่าเราห้ามผลไม่ได้ผนจะตกเราไปสั่งให้ลนหยุดไม่ได้ สันดร่างกายกับเลสนาก็เป็นเหมือนกับผลแางนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้ร่างกายจะเจ็บจะปวดตรงนั้นเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติกับผลกับได้ทำไมเราจะปฏิบัติกับร่างกายกับความเจ็บของเราไม่ได้เราปฏิบัติได้เพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังธรรมกันและไม่เห็นคุณประโยชน์ของการปล่อยวางเราไม่เห็นโทษของการยึดติดเราจรึงต้องมาทุกกับขานะต้องมาทุกกับร่างกายทุบ ก, กับเลสธนาเพราะเราอยากจะให้ร่างกายเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ เราอยากให้เวทนาเป็นไปตามทางต้องการของเราไม่ได้เวลาเราแก่เราก็จะทุกข์เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะทุกข์เวลาเราตายเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราได้เจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องจนสามารถถึงนได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไปเหมือนกับฝนตกแดดออก เราไม่สามารถที่จะไปสั่งใคได้พอเรารู้ว่าเราสั่งไม่ได้เราก็หยุดสั่งหยุดอยากพอหยุดอยากแล้วเราก็จะสงบใจก็จะสงบหายระยุหายดิน้นลมตับกล่นอยู่กับความเป็นจริงของร่างกายได้อย่างสบายนี่คือการปล่อยวางคันฆาปล่อยวางรูปเรืงาสัญญาสังขารหยุดาย แต่เรายังปล่อยไม่หมดยังมีอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่เรายังไม่ได้ปล่อยก็คือปล่อยการอารมณ์ความรู้สึกรักใคร่ร่างกายเวลาเราเห็นร่างกายที่สวยงามเราก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเกิดความรักใคร่เกิดความกำหนัดเพีดีขึ้นมาพ้าเราเห็นเพียงครึ่งเดียวส่วนเดียวของร่างกาย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 เราสามารถเอามาใช้ดับความเห็นคือความเห็นที่สวยงามได้เราก็จะดับตามมารลณได้ทุกครั้งเวลาเราเห็นส่วนที่สวยงามเราต้องรีบคลิกเอาส่วนที่ไม่สวยงามออกมาทันทีเห็นใครสวยงามก็ต้องไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขา จะนึกถึงตอนที่เขาเข้าไปในห้อ ง, งน้าเขาไปทำอะไรเขากำลังไปถ่ถายเอาสิ่งที่ไม่สวยงามออกมาเอาสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาออกมา hey! ถ้าเรานึกอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถดับการมารมณ์ได้ถ้าเราดับการอารมณ์ได้เราก็จะไม่มีความต้องการที่จะมี ร่างกายแข็งแครมาเป็นกู้ครองของเราต่อไปเราจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายจะไม่รู้สึกล้าเหวีจะไม่รู้สึกเศร้าสร้อยเหนือยเหงาเวลาอยู่ตามลำพังกับรู้สึกสบายเพราะใจสงบใจไม่วุ่นวายนี่คือขั้นของการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางขันท่า ทั้งในส่วนที่เป็นอนิจจังคือเกิดแก่เจ็บตายทั้งในส่วนที่เป็นทุกข์ก็คือทุกขเวทนาทั้งในส่วนที่เป็นกามรมก็คือก็คือกามาราคะความกำหนัดยินดีในกามรมที่เกิดจากการไปเห็นรูปร่างหน้าตาที่สวยงามาะเรา สามารถมองส่วนที่ไม่สวยงามควบคู่พร้อมๆไปกับส่วนที่สวยงามได้ใจก็จะไม่เกิดความรักใจก็จะเป็นอุเบกขาวางเฉยใจก็จะหมดปัญหากับเรื่องร่างกายผูท้ที่หมดปัญหากับเรื่องของร่างกายนี้ก็เป็นพระอริยะขั้นที่สก็คือพระอนาคามีอริยะขั้นที่สองนี้ข้นานาย ละได้พึงบางส่วนคือทำให้การอารมณ์เบาบางลงไปแต่ยังไม่สามารถทำให้หมดสิ้นไปได้บางเวลาก็ยังมีการาอารมณ์เวลาที่เผลอไม่ได้คิดถึงอ ส, สุภะไม่ได้คิดถึงส่วนที่เป็นปฏิกลุ่มก็พอเห็นส่วนที่สวยงามก็จะเกิดการอารมณ์ได้แต่พอเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็จะรู้ว่าตอนนี้ ช่องจเจรณาสุธะแล้วเขาพิจารณาต่อแล้วพิจารณาส่วนที่ไม่สวยต่อพิจารณาส่วนที่เป็นปฏิพิณต่อพอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามอย่างต่อเนื่อง เ, เวลาเห็นส่วนที่สวยงามก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามขึ้นมาประปกบ ก, กันไปมาลบล้างกันไปเหมือกับมีใครเขียนคําเขียนหนังสือไว้บนกระดานดํา ก็มียางลบมาลบออก ท, ทันทีพอมีคนมาเขียนว่าสวยก็เอาอยางลบพระอสุภะมาลบไป ท, ทันทีจนในที่สุดก็จะไม่เกิดการมนุงเวลาที่เห็นส่วนที่สวยก็แสดงว่าได้ถึงขั้นที่สามขั้นพระอนาคามถ้าเกิดยังไม่ได้บรรลุ ถ, ถึงขั้นที่สีถ้าตายไปก่อนก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เข้าใจไม่มีความอยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีความอยากในกายอารมณ์ไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัพพะไม่มีความอยากในลาบยศนรสเสรีถ้าอาณาธารมมี <c oughs> ก็สามารถปฏิบัติต่อไปได้เลยหลังจากที่ร่างตายนิพพายไปแล้วก็กิเลสที่เหลืออยู่นี้ไปรวมตัวกันอยู่ภายในจิตนั่นเองกิเลสที่รวมตัวภายในจิตนี้ ก็มีอยู่5คืออรูตระฆะอรูตระฆะอุทัจจมาณนะและอวิชฌะอรปตราคะอรูตราคะก็คือความหลงติดอยู่กับความสุขของรูปประชานกับอรูปประชาที่เป็นความสุขที่ยังมีการเจรนะิญะมีการเสือ่อมเวลาจุดสงบในรูปประชานก็มีความสุข เวลาเสื่มจากผู้ประชาร์ออกมาคิดตุ่มใต่งก็จะคิดไปตามความอยากของกิเลสที่ยังมีเหลืออยู่ภายในใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความอยากภายในใจก็คือความถือตัวยังอยากอยากให้มีผู้อื่นเอาลบนับถือยกย่องสรรเสริญไม่ดูถูกเหบียดยามไม่ตมิตรติเตียงอันนี้ก็เป็นมานะกิเล ติดตัวหนึ่งอวิชาก็คือความอยากในความสุขที่ละเอียดที่มีภายในจิตนั้นแต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ดีจะารนมีเสื่อมเวลาจิตเสื่อมเวลาความสุขในจิตเสื่อมก็เกิด อ, อารมณ์หยยขึ้นมาก็ต้องเข้าไปในฌานเขอาไปในรูปฌานอรูปฌาน เพื่อที่จะให้เกิดความสง บ, บเกิดความสุขขึ้นมาผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นนั้นก็ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตายรักเช่นเดียวกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหนือนง่ามตายที่เราจะต้องปล่อยวางปิด จ, จะเสื่อมจะไม่จะเลไม่จะเสื่อมก็ปล่อยเขาเสื่อมไปเจรเล่นไปไม่ต้องไปดูแลรักษาให้รักษาตัวผู้รู้ตัวเดียวให้รู้เฉย ยาไปยินดียินร้ายกับการเจริญหรือการเสรื่อมของความสุขภายในใจอย่าไปยินดีกับการยกย่องนับถือหรือดูถูกดูแคลของของผู้อื่นให้รู้ว่าตัวตนนี้สถานภาพต่างๆนี้เป็นเพียงสมมุติเทนั้นเองผู้ที่รูนั้นไม่ได้ม่ไม่ ไ, ไ, ม ไ, ไ, มไสูงไม่ได้ต่างไปกันได้ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติแต่อย่างใดผู้รู้นี่เป็นสัตว์แต่ว่ารู้เท่านั้นเองขอให้อยู่แบบผู้รู้ก็สัตว์แต่ว่ารู้อย่าอยู่แบบผู้มีตัวตนอย่าอยู่แบบถือตัวว่าเราเป็นคนระดับนั้นคนระดับนี้เพราะถ้าเราถือตัวแล้วเวลาที่เราไม่ได้รับตอบสนองตามสถานภาพของเราเราก็จะเกิดความทิดใจขึ้นมา นี่คือทางท่านสุดท้ายของผู้ที่จะจะต้องละให้ได้ก็คือละการถือเต๋อละการยึดติดกับความสุขที่มีความสุขที่ละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตเพราะยังเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาพอปล่อยวางความสุขต่างๆปล่อยวางมานะได้แล้ว สิเมล่านี้ก็จะหายไปพอหายไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่จิตที่สะอาดโรยสุดจิตที่สะอาดโดยสุดนี้ก็มีความสุกอีกแบบหนึง่งที่เรียกว่าปัอณสุขฐเป็นความสุดที่ไม่มีจงรนไม่มีเสือ่อเป็นความสุดที่เป็นของคู่กับความสะอาดโรยสุดของใจนี่คือจุดสุดท้าของการปฏิบัติ ก็คือการให้เข้าถึงความสะอาด บ, บริสุทธิ์ของใจงนี้เองด้วยการปล่อยวางตั้งแต่ขั้นต้นก็คือปล่อยวางราบลดสลรเสริญปล่อยวางรูปสูงกินลบแล้วก็มาปล่อยวางรูปเนธนาสัญญาสังขารหยุดยางแล้วก็มาปล่อยวางสิ่งต่างๆความสุดที่ละเอียดตัวตนที่มีอยู่ในจิตให้หมดไป พอผ่นหมดไปแล้วก็จะเหลือแต่ความว่าที่เรียกว่าปรมัาณูญหยางนิบบานังปรมงณูญหยางนิบบานังปรมาณูสุขันนี่แหละคือความหมายของคําว่าศูญไม่ได้ว่าหมายความว่าพอถึงนิพพานแล้วจิตจะอันตรธานหายไปจิตไม่มีวันที่จะหายไปได้เพราะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มาตต่ดั้งเดิมและจะมีต่ออยู่ต่อไปเพียงแต่จ้า อยู่แบบไหนอยู่แบบบริสุทธิ์ด้วยอยู่แบบไม่บริสุทธิ์เทรานั้นผู้ที่อยู่แบบบริสุทธิ์ก็จะอยู่กับปาลมังสุขังอยู่กับบาลมังสุดพู้ที่อยู่กับจิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็อยู่แบบเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทุกขังอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือเรื่องของการปล่อยวางที่พวกเรามาศึกษา และพยายามที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพราะเป็นการฝุดฝนอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาจึงของฝากเรื่ อ, องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อมาเอาความรู้อันประเิฐของพระพุทธเจา้านี้ไปเป็นแสงสว่างนำทางพาชีวิตให้ไปสู่ความสุข ที่ถาวรต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจิงขอวิตุไ้วพลท่านี้สาธุครับ ได้สงสัยไหมก็ดเดอนก็นดีใช้ฝนเป็นตัวอย่างขอสภาพของความเป็นอนัตตานะใช้อุเบกขาที่เรานั่งเฉยๆรับกับสภาพของฝนตกไดนะ้ถ้าเรารับกับสภาพของความแก่ความเจ็บความตายได้กับสภาพของฝนตกเราก็จะไม่มี่ันทุกข์ใจ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 ถ้าต่อไปเราจะสามารถรักษาความนิ่งความสงบของใจได้อยู่ทุกเวลาอยู่กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าญาติโยมมารวมกันได้นะว่าฝนแท้เนยถ้าไม่ฝนแล้วเวลาคนมานี่จะนั่งหากัน การธรรมดามาไม่จีบคนคนจะนั่งคนละมุมเราลำบากใจเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ไม้นี่ต้องพูดต้องใช้เติมมาจาก็ต้องขอร้องให้เขาเข้ามนใกล้ๆเราจะได้พูดพูดได้อย่างสบายแต่แวันนี้เราเข้ามาใกล้ชิดกันได้เพราะเหตุการณ์บังคับ ว่ามีสติปัญญาให้มั่นคงแล้วคนที่จิตเม่อ <c oughs> จิตเมือ่อแล้วมิจฉาในใจมันโผล่โผล่โผขึ้นมานะี่จะทำํำยังไงี่ควบคุมได้คือตอนนั้นยังไม่มีสติไงขั้นแรกเราก็ต้องใช้สร้างสติขึ้นมาการสร้างสติก็ให้เราท่องพุโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดอะไรพยายามทะคใจหลอให้ท่องพุโทโธพุทโธไปอย่างเดียว ไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นให้สนใจกับเรื่องของการท่องพุทโธกับการทำภารกิจหน้าที่ของเราไปคนอื่นจะดีจะช่วยก็เรื่องของเขาให้เรามีสติก่อนพอเรามีสติแล้วทีนี้เราก็จะค่อยพิจารณาเรื่องของคนอื่นได้เราก็จะปล่อยวางเขาได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินี่พอเห็นอะไรแล้วใจมันก็จะเป็นบ้าไปกับสิ่งที่เห็นทันที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 การเจริญสตินึ่งจึงเป็นธรรมะที่สําคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดสําคัญกว่าสมาธิสําคัญกว่าปัญญาสําคัญกว่าการหลุดพ้นวิบุติเพราะว่าวิบุติหลุดพน้นปัญญาหรือสมาธิถ้าไม่มีสติจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นั่นเองสติจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งปวง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 พราะสมาธินี้มีกําลังมีความสุขที่มีเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความอยากต่างๆความอยากได้ราบวสารเสริญอยากได้ลูกสิกิินลดนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสมบในได้ผู้ดที่ได้ความสมงบแล้วจะจะเบื่อกับความสุขทางราบรสรเสริญจะความสุขทางตาหองสมนุกพื้นกาย ก็ อ, ออกบวชกันได้ถ้าใครได้เข้าสู่ความสงบแล้วจะออกบวชกันเท่านั้นเพระทธะุธเจ้ารย์กทรงสัมผัสกับความสงบนี้ตั้งแต่ตอนพระเยาว์ไหวตอนที่พระองค์ทรงประทับอยู่ตามลำพันธ์วันนั้นเป็นวันที่มีงานแรกนาขวัญผู้บรรดาข้าราชบริพารก็ไปวุ่นวายกับภารกิจอย่างอื่นควายให้พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไม้ยอยู่ตามลําพันธ์ ติดของพระองค์พอไม่มีใครมารุ่นวนมารบกวนทางไกลจากลูกเสียงกิน่นรสผดผะพะติดที่มีกําลังของสติคอยดึงไว้ก็ดึงเข้าสู่ข้างใน ท, งทันทีติดเข้ารวนเข้าเป็นหนักปนาทันทีพระองค์จึงเห็นว่า น, นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงแต่ตอนนั้นยังทรงเยาว์อยู่ยังไม่เป็นตัวของตัวเองได้ก็ต้องอยู่ในวางต่อไปจนในที่สุด พอมีอายุมากแล้วแล้วพอได้ทรงพบกับเทวทูตทั้งสี่ที่มาท่งเตือนท่านว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปดำเนินภารกิจเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปกี่วจวกับได้ข่าวว่าหลพม่เหนสีได้ข้อพระราชารสขึ้นมาเวลานั้นก็เลยเป็นเวลาที่จะต้องกระเด็นออกบวช ก็รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงของลูกมัดเอาไว้จะไม่สามารถจะด็จออกบวดได้ก็เลยจะด็จออกไปภายในคืนนั้นีลยนี่เป็นเพราะว่าพราะองค์มีควาสมสงบแล้วถ้าไม่มีควาสมสงบแล้วไม่กล้าไปาะจะกลัวกับความทุกข์ยากลำบากต้องการจะอยู่ต่าอยู่แบบตั้งบวกสมัยก่อนนี้ลำบากกว่านักบวดสมัยนี้มาก ท่าบวชสมัยนี้มีศรัทธาญาติยู่คอยดูแลเลี้ยงดูอย่างเต็มที่สมัยนั้นท่านไม่มีอะไรเลยเชื่อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี้ก็ต้องใช้ของเก่าไปหาผ้าเก่าๆที่เขาทิ้งไว้แล้วมาลับมาเย็บเป็นจีวรเขาเรียกว่าผ้าบางสกุลเนี่ยเราบว่าบางสกุลก็คือของเกับไม่ใช่เป็นผ้าที่เขา เป็นทับภาพออกมาว่าบ้ามาถวายมาให้ตัเดเย็บหนังสมัยนี้สมัยก่อนต้องไปเก็บผ้าที่เล้วผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะทิ้งตามป่าชา น, นี่แหละคือการอยู่ความหนบวชสมัยพระพุทธเจ้าอยู่อย่างยำบักมากทีเดียวถ้าไม่จิตใจไม่มีความสงบแล้วจะไม่สามารถอยู่กับความทุกข์ยากยำบักแบบนี้ได้แต่ถ้าใจมีความสงบแล้ว ใจจะไม่หิวกับเรื่องของลูกเสียงกิ่นลมเรื่องของกลับใจสจะอยู่ได้ตามมีตามเกิดได้อย่างสบายอยู่อดอดมือ้อกินมื้อก็ได้มีอาหารอย่างไรก็รับประทานได้จะนอนตรงไหนก็นอนได้ขอให้เป็นหลบที่บแบบหลบแดดหลบฝนได้ก็พอส่วนใหญ่ก็อยู่ตามคนน้อยอาจจะทมเพิงทำด้วยเพิงทำด้วยกิ่นไม้เพื่อที่จะกันไม่ให้ เวลาน้ำเวลาฝนตกน้ำจะได้ไม่เข้ามาทําให้เปลี่ยนถ้าท่านอยู่ในสถานที่เอื้อต่อการเจริญสมถกภรวนาที่เอื้อต่อการเจริญสติเอื้อต่อการเจริญปัญญาท่านถึงได้บรรลุรับผลนิพพานกันได้อย่างรวดเร็วสําหรับพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องใช้เวลาหกปีด้วยกันเนื่องจากว่าไม่มีครูบาอาจารย์ถ้ามีครูบาอาจารย์ แต่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าก่อนรอบราวน่าว่าเพ่งฟังธรรมทั้งสองคําท่านก็จะบรรลุได้ทันทีเหมือนกับพระส า, าลกทั้งหลายที่มีศีลมีสมาธิอยู่แล้วพอฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้เลยเพราะท่านมีธรรมมีภูมิรองรับกัญญาของพระพุทธเจ้านี่เอง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 เห็นอะไรก็ว่าเป็นของเราแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเห็นกบับความเห็นของเราสิ่งที่เราเห็นเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ของเราต้องมีพระพุทธเจ้าพอมีพระพุธจาแล้วปรากฏมีภาพหนังขึ้นมาเป็นจนํานวนมากมายเลยเจีระยะเจียมเดือนแรกของการประกาศศ า, าสนาคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน 8, แปไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสามวันมาค้าบูชา ก็มีภาพนะหัอย่างน้อยก็หนึ่รูปด้วยกันมารวมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาต่มาจากสารพิธต่างๆกันนี่แหละคือความอัศจรรย์ของการปรากฏของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานั้นถือว่ามีโชคมีวาสนาอย่างมากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้ เพราะว่านานๆสักครั้งหนึ่งที่จะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่สักการะบูชาเป็นที่พึ่งของสร์โลกและก็จะอยู่ไปได้ไม่นานอยู่ได้เพียงระยะประมาณสัก5้าพันปีสำหรับศาสนาของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาเป็นกลับคำว่ากลับก็แปลว่าหลายล้านล้าปีเลย กว่าที่จะมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาตัดสิ้อีกครั้งหนึ่งแล้วการที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งต่อไปหรืออีกหลายๆครั้งต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาใหม่หรือไม่จังหวะมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้วันนี้เป็นจังหวะดีโชคดีชานี้ที่มาได้พบกับพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้ภายในชาตินี้เลยถ้าเราไม่พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะทำได้แต่บุญสะสมบารมีไปเกลียและเกทียโนยไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีบารมีแต่ก้าพอจนสามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยเขาได้ได้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาหลายล้านกบด้วยกันดังนั้นนะตอนนี้เรามีโอกาสที่จะ เส็จภารกิจที่ต้องใช้เวลาหลายล้ํานกับถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าคราวนี้เรามีศาสนาพุทธแล้วเรามีพระธรรมคาสอนแล้วถ้าเราเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัติไม่เกินเจดปีพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรไว้ในตอนท้ายของม้าสติปัฏฐานสูตรส่งสอนให้เจริญสติส่งสอนให้ทําสมาธิส่งสอนให้เจริญปัญญาเพื่อปล่อยวาง รูปเมตนาสัญญาสังขารยินดานปล่อยวางจิตพอปล่อยได้ภายในเจ็ดปีนี้พรองส่งรับรองว่าจะต้องได้บรรลุอย่างแน่นอนไม่มีเวลาใดไม่มีตอนไหนที่จะมีใครมารับรองเราได้มีเพียงตอนนี้เท่านั้นของจัตนาทุกถ้าเราไม่รีบตัดเบลช่วยโอกาสพอหมดโอกาสกัแล้วทีนี้ก็ อาจจะต้องรอไปอีกหลายล้านกับเรื่องกันเราก็ยังต้องเวียนว่ า, ายตาเกิดต้องมาร้องห่มร้องไห้ต่อไปน้าตาที่พวกเราร้องห่มร้องหไห้แต่ละพวกแต่ละชาตินี้ถ้ามาเมื่กันแล้วท่านบอกว่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรเลยก็ให้คิดดูกันลวกันว่าความทุกข์ของเหล่านี้มีมากน้อยเทียงไรและจะมีมากต่อไปอีกนานเท่าไหร่ ขณะเราอย่ามองเลงยึดติดกับความสุขเล็กๆ น, น้อยที่เราได้จากภาพลวดจระเริ้อย่ารูปเสียงกิ่นและภทศก atha เลยเพราะเป็นความสุขเหมือนที่เหมือนเห่อที่ติดอยู่ปลายเ ป, เป็นความสุขที่มีความทุกข์เกี่ยวใจไว้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่สิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบเสื่อมจากเราไป เวลาเสื่อมลาบจ ะ, ะร่ำเสลอยเสื่อมความสุขทางตาหูจหมูกร่้นกายความสุขที่ได้นั้นหายไปหมดเลยจะเหลือแต่ความทุกข์ทรมานใจและตอนนั้นก็ไม่มีอะไรจะมาช่วยดับได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่สะสมธรรมไว้ตั้งแต่แบบนี้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็จะไม่มีอะไรมาดับความทุกข์ใจได้เหมือนกับถ้าเราไม่เตรียมเครื่องดับเพลิงไว้เวลาเกิด ไปลุกขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถดับไฟได้เราะฉนั้นตอนนี้ขอให้พวกเราอย่างน้อยก็ให้มีแบ่งเวลามาให้กับการเจริญธรรมะกันบ้างถ้ายังไม่สามารถสละทางโลกได้หมดเลยอย่างน้อนก็ขอให้แบ่งมาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีมาทำาาระสมธรรมะไว้บ้างเือในวันข้างหน้าเวลาที่เรา พบกับความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่องต่างเราจะได้มีธรรมะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราความทุกข์ของเราจะได้ไม่ถึงขีดที่ว่าจะต้องทําให้เราท่าตัวตายกันคนที่ท่าตัวตายนี้แสดงว่าเขาไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์เลยเขาไม่มีธรรมะที่จะมาสอนให้เขาทําใจให้เขาตรมได้เลยเขามีแต่ความอยากได้ความสุขที่เข้าสูงเสียไปกลับมาเท่านั้นพอไม่ได้กลับมาเขาก็จะอยาก ข้าตัวตายยังขอให้เราพยายามทำบุญทำทานกันรักษาศีลกันภาวนาการเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญากันเพราะนี่แหละเป็นการสะสมน้ำดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจของเราต่อไป น, นี้คงจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ต้องการจะถวายของ ไ, ได้เข้ามาถวายกันขอให้เปิดทางแบบเข้ อ, อทางเดีย ว, ว, นะวยกันนะวันเวรจะได้ง่ายข้ทางด้านซ้ายนี้แล้วก็ออกทางด้านขวาเ น, นีย เดี๋ยวก่อนจะไปจะขอบอกเรื่องแผ่นแผ่นดีๆที่จะทำแบบครับอาจารย์จะให้ใช้ชื่อว่าธรรมะบนเขาธรรมะบนเขาได้เลยครับเดี๋ยวแผ่นที่หนสอเดี๋ยวเปิดาข้างหน้าจะมีเคารพนะครับสาว่าว่นที่จะทำเป็นอินปี3นี่คิดว่าคุณทำแล้วเาะถ้าใครต้องการให้เขาเขียนมาขอคุณนได้ได้ได้าะคนอาจจะน้อยที่ต้องการน่าจะเยอะครับอาจารย์ก็แนย Take a seat, take a s e a